จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านเวลาของการฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาที่ต้องการความสงบความสำรวมใช้สมาธิในการฟังธรรมะเป็นของสูงเป็นของประนีตในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะแท้ๆมีไม่บ่อยครั้งนะักธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยประณีตมาก เราฟังแล้วเราเอาไปประพฤติปฏิบัติเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไปลงมือทําแล้วเราลงมือทําแล้วในเวลาไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองคําสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกเลยว่าไม่เนิ่นช้างินถ้าหากพวกเราคนไหนภาวนาสิบปีก็แล้วยี่สิบปีก็แล้วสามสิบปีก็แล้วยังเหมือนเดิม ให้มั่นใจไว้เถอะว่าทําผิดถ้าทําถูกจะต้องเห็นผลในเวลาอันสั้นธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่ได้อ้อนบอนขอให้ใครช่วยเป็นธรรมะของการที่เราจะต้องช่วยตัวเองให้ให้ได้ถ้าเราช่วยตัวเองภาคเพียรภาวนาตามหลักที่ท่านสอนอย่างถูกต้องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเลยเนี่ย ควรจะได้ผลบ้างโซดาบันอะไรเนี่ยอย่างต่ำๆควรจะได้ไม่ใช่เรื่องเดือวิสัยที่ฆราวาดจะทำสมัยพุทธกาลเขาก็ฟังธรรมะนะอันเดียวกวับที่พวกเราฟังทุกวันนี้นั่นแหละเาธรรมะที่แท้จริงยังสืบทอดกันมาไม่ขาดสายคนสมัยโน้นทาไมเขาบรรลุมรรคผลได้สมัยเราทำไมจะบรรลุไม่ได้ ถ้าปฏิบัติทำถูกต้องนะแล้วปฏิบัติทำสมควรแก่ทำหมายถึงทําให้มากพอทําให้ถูกก่อนแล้วทําให้มากพอจะต้องมีผลในเวลาอันสั้นอาจจะไม่ถึงขั้นได้โสดาในเดือนสองเดือนนะแต่เราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนเราไม่เหมือนเดิมแนละ้วคนที่เรียนอยากหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเลยเนะี่ เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบางคนถึงก็ออกปากเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยตื่นเลยตื่นแต่ร่างกายจิตไม่เคยตื่นเลยเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อได้ฟังธรรมะความตื่นสําคัญนะคำว่าตื่นคือคําว่าพุทธะนั่นเองเราเป็นชาวพุทธถ้าเราตื่นไม่เป็นก็นยังไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่แท้จริง พุทธาว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้สึกตัวขึ้นมารู้ความจริงอันแรกรู้สึกตัวให้ได้อันที่สองรู้ความจริงของกายของใจจิตมันตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันจิตมันเบิกบานด้วยกระแสของธรรมะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องแค่การทำทาน การรักษาศีลการนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธท่านเห็นว่าเป็นการปรับพื้นฐานจิตใจให้ดีท่านก็รับเอาการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่ท่านมาต่อยอดนะคือการเจริญปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องอาภาพมากเลยไม่ค่อยมีใครสนใจศึกษาเท่าไหร่บางทีเราก็ได้ยินว่าไปทำวิปัสสนานะไปเข้าคอสวิปัสสนงวิปัสสนาอะไรออกมาก็ไปติดสมถะอีกไม่ค่อยมีคนที่ทำวิปัสสนาจริงหรอก้าทำไม่เป็นพวกเราเคยได้ยินชื่อวิปัสสนาไหมเคยได้ยินใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าสิ่งที่ควรจเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง คือสมัตแอะไริปั ส, สนาสมรติเนี่ยเป็นการฝึกจิตใจให้มีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงมีปั ส, สนาเป็นการฝึกให้จิตใจเห็นความจริงของกายของใจลำพังทำจิตใจให้สงบนะมันสงบได้มันก็ฟุ้งซ่านได้เพราะความสงบเป็นของไม่เที่ยงนั่นอย่างเรานั่งสมาธิไปเถอะทำมาเป็นปีๆจิตใจสงบ สักพักหนึ่งไม่กี่วันก็ฟุ้งใหม่ฟุ้งอีกก็มาทำสมาธิทำความสงบใหม่เดียกก็ฟุ้งอีกไปไหนไม่รอดงั้นถ้าเรามาฝึ ก, กจิตใจให้สงบตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะอย่าหยุดอยู่แค่นั้นต้องก้าวไปสู่การเจริญปัญญาให้ได้การเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจคาว่าปัญญาปัญญาเนี่ยคือความเข้าใจ ความเป็นจริงของกายของใจซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราความจริงของกายของใจก็คือมันไม่เที่ยงมีแล้วมันก็ไม่มีมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายเนี่ยร่างกายเรานั่งในขณะนี้ร่างกายที่นั่งอยู่กําลังถูกบีบคั้นอยู่ทำให้นั่งต่อไปไม่ได้ต้องขยับไปขยับมานะหรือไปยืนนานๆก็ยือนอยู่ต่อไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไป ความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นะยืนมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์เวลาพวกเรานอนกลางคืนขยับตัวไหมพลิกซ้ายคลิ ก, กววาไหมทำไมต้องพลิกเพราะมันทุกข์เราขยับตัวเราเปลี่ยนอีเดียบททั้งวันเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันทุกข์เนี่ยเราแต่ที่ผ่านมานะเรานั่งไปแนละ้วพอมันเมื่อยเราก็ขยับเราไม่ทันจะรู้เลยว่า ที่เราขยับเพาขยับหนีทุกข์นะพวกเราลองหายใจเลยจริงๆเราหายใจก็เพื่อหายใจหนีทุกข์อีกนะลองหายใจเข้ายาวๆ ย, ยาวที่สุดเลยอย่าหายใจออกนะลองดูหายใจให้ยาวหายใจเข้าอย่างเดียวเลยนะทุกไหมต้องทำไงต้องหนีมันหายใจออกหนีทุกข์ลองหายใจออกยาวๆสิออกไปเรื่อยๆนะอย่าเข้านะทุกข์ไหมทุก นไมแค่หายใจออกหายใจเข้าก็หนีทุกข์นะเปลี่ยนอิรยาบถไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนก็เพื่อหนีทุกข์เนี่ยความจริงในร่างกายเรานะคือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆ ก, ก็นอนดิ้นไปดิ้นมาใช่ไหมพยายามนอนหงายอยู่ที่แรกกนะ็พยายามเปลี่ยนไปนอนคว่าอะไรเงี้ยคว่ำแล้วอยู่นานๆเมื่อยเต็มทีพยายามจะคลานนะพยายามเคลื่อนไหวพยายามอะไรนี่ พยายามหนีความทุกข์ตลอดเวลาที่ผ่านมาร่างกายเรานะั้นมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันเมื่อเราก็ขยับเปลี่ยนอิทธิบาตไปหายใจแล้วอึดอัดเราก็เปลี่ยนการหายใจะหายใจเข้าแล้วอ่ดอัดเราก็หายใจออกหายใจออกแล้วื่นอัดเราก็หายใจเข้าหิวเราก็รีบกินแต่มไม่ทันจะเห็นเลยว่าหิวเป็นทุกข์นะยิ้มเกินไปเป็นทุกข์ไหมยิ้มยิ้มก็เป็นทุกข์ เนร่างกายนะัมันมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาแต่เรารู้ก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้ถ้าเราจะทำวิปัสสนากรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องหนังหลับหูหลับตาอะไรนะเราก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองไปร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคอยรู้สึกอยู่รู้สึกตัวอย่าใจลอยถ้าใจลอยนะมันปวดมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิเดียบด์ไป มันคันเราก็เก่าพวกเราหลายคนในห้องเนี้ยเก่ายุกยิกบนะแทบทุกคนท่านมานั่งอยู่ที่หุ่งพ่อแล้วจะเห็นนะพวกเราสืบสายพันมาจากลิงนะพวกยุกยิบอยู่ไม่ได้หรอกนะมันคันมันก็เกาโน้นเกานี้ที่ผ่านมาคันเรากเก่าเลยใช่ไหมหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี่คันนะร่างกายเราเคลื่อนไหวอัตโนมัตินะจนเราไม่เห็นนะว่ามันหนีทุกนะต่อไปนี้แทนที่จะปล่อย ให้ร่างกายเราทำงานไปสเปซ ส, สปะนะมันเจริญปัญญาไหนไหนร่างกายมันก็ทุกข์แล้วนะมาเรียนรู้ทุกข์มาเรียนรู้ความจริงของร่างกาย น, นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยเห็นทุกข์แล้วไม่จะเห็นอะไระครูบาอาจารย์สอน้เห็นทุกข์จะเห็นธรรมนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรมรมหรอก เราเห็นทุกขนะ์ในร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจเราจะค่อยๆ ค, คลายความยึดถือในร่างกายนี้พวกเราแต่ละคนจะรักร่างกายมากเลยนะเราคิดว่าร่างกายเนี้ยนําความสุขมาให้เราเรารักตาเพราะว่าตาทําให้เราเห็นของสวยๆเรารักหูเพราะหูทําให้เราได้ยินเสียงที่พอใจเรารักจมูกนะเพราะทําให้เราได้กลิ่นที่พอใจอี้ยลืมไปว่า มีตาเห็นของสวยได้ก็เห็นของไม่สวยได้ได้ จ, จมูกได้ของหอมได้ก็เหม็นได้อแต่เราไม่เคยเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเราถูกฝังลึกลงมานะให้รักหวงแหนในร่างกายของเราอย่างเหนียวแน่นเลยงั้นต่อไปนี้เราจะมาเจริญสติเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงในร่างกายให้มากเราจะเห็นในร่างกายมีแต่ความทุกขนะ์นั่งอยู่กัทุกข์คันน้นคันนี่นะ เรือหนาวไปก็ทุกข์ร้อนไปก็ทุกข์ผิวก็ทุกข์อิ่มไปก็ทุกข์กระหายน้ําก็ทุกข์นะปวดอึปวดฉี่แล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเจ็บไข้ได้ปวยก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเราอย่าปล่อยให้ความทุกข์ผ่านมาแล้วผ่านไปแบบไร้สาระต่อไปนี้ถ้าเวลาร่างกายมันทุกข์นะเราก็รู้ทันซะก่อนอย่างเรานั่งอยู่มันปวดมันเมื่อยนะเรารู้ว่ามันปวดมันเมื่อยซะก่อนนะเราวให้เปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่ว่าต้องตั้งทนไปเรื่อยๆนะ เรื่องอไรเราต้องทรมานขนาด น, นั้นแต่ว่าพยายามมาเรียนรู้มันนั่งมากๆก็ทุกข์ก็เปลี่ยนเลยมันทุกข์ละทุกข์แเปลี่ยนอิทธิบทก่อนจะเปลี่ยนอิทธิบทน ะ, จะเจริญปัญญารู้ทันความจริงของร่างกายซะหน่อยหนึ่งนะนอนอยู่มันเมื่อยเต็มทีแล้วรู้ว่าร่างกายมันเมื่อยแล้วนะพอ ร, รู้แล้วก็พลิกเปลี่ยนท่าได้นะหันซ้ายหาันขวาได้พลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็ได้พลิกไปแล้วแหมเห็นว่าร่างกายสบายสบายไม่นานนะความปวดความเมื่อยตามมาอีกแล้วนะต้องมาพลิกตัวอีกแล้ว เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยก้อนทุกข์นะดูไปดูไปต่อไปความยึดถือในร่างกายก็ลดลงทุกวันนี้เรากลัวร่างกายเราแก่เรากลัวร่างกายเราเจ็บเรากลัวร่างกายเราตายเพราะว่าเราเห็นว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะใครแก่ตัวทุกข์มันแก่ใครเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บใครตายตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ําหน้ามันสิ ถ้ตัวทุกข์จะตายจะเสียดายอะไรไหมเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะต่อไปถึงจะแก่ถึงจะเจ็บถึงจะตายนะใจไม่มีความทุกข์หรอกความทุกข์มาอยู่ที่ร่างกายแต่มันเข้ามาไม่ถึงใจของเราเนี่ยเราแค่คอยรู้สึกตัวนะแล้วก็ดูความจริงของร่างกายไปได้วยร่างกายมีแต่ความทุกข์ดูซ้ําแล้วซ้ำํำอนะีกต่อไปใจก็ไม่ยึดถือร่างกายเมื่อเราใจมันไม่ยึดถือร่างกายนะใจจะไม่เป็นทุกข์เพราะร่างกาย ร่างกายแก่ใจก็ไม่ทูกร่างกายเจ็บใจก็ไม่ทูกร่างกายจะตายใจก็ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าคนทั่วๆไปนะเวลาเจ็บปวดทางร่างกายแล้วเนี่ยจะต่อด้วยความเจ็บปวดทางจิตใจคล้ายๆถูกหญิงธนูนะดอกแรกเนี่ยยิงเข้าไปที่ร่างกายดอกที่สองอ่าซ้ําทันทีเลยคือจะเจ็บปวดอยู่ที่หัวใจด้วยกลนะุ้มใจไม่สบายใจนะอริยะสาวก ผู้ได้สดับนะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยความทุกข์เข้าถึงร่างกายได้แต่เข้าไม่ถึงจิตใจอีกต่อไปแล้วเพราะใจของท่านไม่ได้ยึดถืออยู่ในร่างกายทำไมใจท่านไม่ยึดถือร่างกายเพราะใจท่านเห็นความจริงของร่างกายนะไม่น่ารักไม่น่ายึดถือมันเป็นตัวทุกข์เนะนื้อหดอย่างนี้นะเรียกว่าการเจริญปัญญานะมาดูทางจิตใจบ้างเราไม่ได้มีแต่ร่างกายแต่เรามีจิตใจด้วย ใจิตใจเรานะี่ยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายแต่ละวันเนี่ยเราวิ่งหาความสุขตลอดเวลานะวิ่งหนีความทุกข์ตลอดเวลาพวกเราเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายไหมเวลาความสุขยังไม่มาอยากให้มาไหมอยากให้มาแล้วมันมาไหมไม่มามันไม่ได้เป็นอย่างที่อยากนะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเรา อ, อยากให้มันไม่ทุกข์แล้วมันก็ทุกข์ อยากให้มันสุขมันไม่ค่อยยอมจะสุขหรือสุขมันก็อยู่ไม่นานพวกเรารู้สึกั้ยความสุขสั้นเสมอความทุกข์รู้สึกยาวเสมอใช่ไหมเพราะไม่อยากไม่อยากให้มันอยู่อยากให้มันหายไปมีความอยากให้ความทุกข์หายไปก็ใจมันก็ทุกข์เพราะว่ารู้สึกว่ายาวยาวนะเวลามีความสุขอยากให้ความสุขอยู่นานๆก็มีความอยากขึ้นมารู้สึกความสุขมันสั้นไปก็ทุกข์ขึ้นมาเ เ่เฝ้าดูลงไปที่ใจเรานะใจเราเต็มไปด้วยความอยากมีความอยากขึ้นมาทีไรมีความทุกข์ทุกทีเลยใจเรามีความอยากตลอดเวลาร่างกายเราเนี่ยมีความอยากอยากกินข้าวอะไรเนี่ยวันหนึ่งสองสา 1, 2, ครั้งตะกระหน่อยอาจจะอยากกินข้าววันละี่ห้าครั้งแต่จิตใจเรานะมีความอยากเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนเลยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยอยากกินอาหารเนี่ยไม่มากหรอก แต่จิตใจเราต้องการอาหารคืออารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเนี่ยตลอดเวลาเลยนี่เราเฝ้ารู้ถันใจของเรามีความอยากเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นความอยากเนี่ยสั่งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มันมาเองอย่างมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมา เ, เราห้ามไม่ได้ใจมันจะอยากแต่ว่าทันทีที่อยากก็ทุกทุกทีเลย เวลามีความทุกข์นะเราก็อยากให้ความทุกข์หายเร็วๆความทุกข์หายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันมาอีกอยากให้มันหายสาับสนไปเลยทุกคราวที่ความอยากเกิด<ม>ความทุกข์จะเกิดถ้าความอยากเองเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แล้วใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยเรามามีสตินะเรามาคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองบ่อยๆเอี่ยงเรารู้ทันกายเราเห็นร่างกายเป็นด้วยความทุกข์ มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาพอมาดูจิตใจเราจะเห็นนะจิตใจอยากที่อะไรก็ทุกข์ทุกทีหรือไม่ก็ทุกข์ตลอดเวลาเหมือนกันนะแล้วมันก็ไม่เที่ยงความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวรลภกรดหลงก็อยู่ชั่วคราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจทุกคนดูได้แต่ละเลยที่จะดูเหมือนอย่างร่างกายเราเนี่ย เราสามารถรู้ได้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันคันเลยเรารู้ได้แต่เราละเลยพอมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันคันเราก็เปลี่ยนอิริยาบถบ้างเกาบ้างอะไรบ้างอัตโนมัติไปเลยไม่ยอมรู้รู้ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้จิตใจนี้ก็เหมือนกันทุกคนรู้ได้แต่ไม่ค่อยยอมรู้เวลาเราขับรถคนมาปาดหน้าเราเราโกรธใช่ไหมเวลาเราโกรธเราทําไงเราไปสนใจคนที่ปาดหน้าเราใช่ไหม เราไม่ยอมสนใจว่าขณะนี้ใจกําลังโกรธอยู่เนี่เราล้าเลยที่จะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองล้าเลยที่จะรู้เท่าทันร่างกายของตัวเองถ้าเราจะรู้ก็รู้ได้แต่ล้าเลยหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าการปฏิบัติน่ะไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่สนใจที่จะปฏิบัติไม่รู้ว่าต้องคอยรู้กายรู้ใจเวลาเห็นสาวๆสวยๆมานะใจมันชอบ เวลาใจมันชอบอเนี่ยเจอเป็นหนุ่มหนุมเห็นสาวมาใจชอบใจชอบเราไปทําอะไรเราก็ไปดูสาวใช่ไหมเราไม่รู้ทันว่าใจกําลังเกิดราคะอยู่ใจกําลังเกิดความรักแนละความรักให้ผูกพันเราลาเลยเหมือนคนขับรถปาดหน้าใจเราโกรธเราไม่รู้ว่าใจเราโกรธเราหมดจะไปดูไอค้คนที่ทําให้โกรธเวลาเราเจอคนที่รักเราก็หมดสนใจคนที่เรารักเราลาเลยที่จะรู้ทันว่าใจกําลังรักอยู่ เวลาอิจฉาเราก็ไปคิดถึงคนที่เราอิจฉาเขาเนี่ยเราลาเลยที่จะรู้ว่าใจกำลังอิจฉาอยูนะ่เวลาเบื่อเวลาเซ็งนะมาคิดเรื่อง น, อน้อนเรื่องนี้สเปสสปาไปคิดแล้วเหี่ยวแห้งใจไปไม่ยอมรู้ว่าใจกำลังเหี่ยวแห้งอยู่นะที่จริงทุกคนรู้ก็รู้ได้นะร่างกายเราทำไมจะรู้ไม่ได้จิตใจของเราทำไมเราจะรู้ไม่ได้แต่เราลาเลยเราไม่รู้ว่านี่เป็นทางรอดของเรา นี่เป็นทางที่เราจะรอดพ้นจากความทุกข์นะการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยคือทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์นิรันดดอนนะพ้นทุกอย่างถาบอนเลยนะแล้ก็ดิ้นรนไปเรื่อยนะสแสวงหาอะไรต่ออะไรไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกข์แล้วก็ไม่เคยพ้นเลยต่อไปนี้เราพยายามย้อนมาดูความจริงของร่างกายพยายามย้อนมาดูความจริงของจิตใจตัวเองให้บ่อยที่สุดนะ เวลาที่เราจะดูความจริงของกายของใจเนี่ยมันมีศัตรูอยู่สองตัวที่ทำให้เราดูกายดูใจตัวเองไม่ได้มีอยู่สองอย่างเองนั่นหนึลืมตัวเองใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาเราใจลอยเราไปคิดเรื่องนอนเราไปคิดเรื่องนี้นะขณะที่เราไปคิดเรื่องนอ น, เ ร, เ, รอ น, อนเรื่องนีเ้เรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายเราลืมใจของตัวเองเวลาเราใจลอยยุงกัดเราไม่รู้เลยใช่ไหม ร่างกายเจ็บขึ้นมาไม่รู้นะบางคนใจลอยนะกาลังเล่นไพ่คิดจะจั่วตัวนั้นตัวนี้นะใ จ, อใจลอยใจเป็นร่องลอยคิดเรื่องไพ่อยู่ตำรวจมานะพวกพวกหนีไปหมดเรายังไม่รู้เลยนะ ต, ตำรวจมาสะกิดบอกเฉยหน่อยจะจั่วอยู่แล้วนะมันลืมตัวเองรู้จักลืมตัวเองไหมมีร่างกายลืมมันมีใจก็ลืมมัน เวลาใจลอยเวลาเผลอเวลาเหมอรู้จักเหมอไหมเวลาเราเหมอเหมอไปเราเผลอเผลอไปเนี่ยเราลืมร่างกายจิตใจของตัวเองเมื่อไรลืมร่างกายเมื่อไรลืมจิตใจเราจะไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายและจิตใจได้เพราะลืมมันไปซะแล้วจะไปเห็นความจริงของมันได้ไงลืมมันไปแล้วจะไปเห็นความจริงได้ไงว่าร่างกายเป็นตัวทุกจะไปเห็นความจริงได้ไงว่าจิตใจ นะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปล ง, ปลงตลอดเวลาแล้วบังคับไม่ได้นะแล้วก็มีความบีบคั้นด้วยความอยากอยู่ตลอดเวลาดูไม่ได้มันลืมตัวเองนั่นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักปฏิบัตินะของคนที่จะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจก็คือความใจลอยควมเม่อๆที่น่าตกใจก็คือทุกๆคนถ้าภาวนาเป็นนะจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเม่อตลอดเวลาเลย แทบจะไม่เคยรู้สึกตัวเลยจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะมีจํานวนมากเลยมาเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อนะสอนสอนอเขาเขารู้สึกตัวเป็นเขาบอกเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยใจลอยตลอดเหมื่อตลอดลืมตัวเองตลอดเลยนะเพราะงั้นมากผลนิพพานไม่มีทางได้เลยพระพุทธจ้าจะได้มากผลนิพพานนะต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนจิตใจมันรู้ความจริงนะพอรู้เห็นความจริงก็จะปล่อยวาง หมดความยึดถือในกายในใจแลปล่อยวางได้ก็หลุดพ้นได้เดาบรรลุรมรรคผลไปงั้นจุดสําคัญอยู่ที่การได้เห็นความจริงของกายของใจนี่เรียกเรื่องวิปนะัสสนาศะตูเบอร์หนึ่งใจลอยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใจลอยนับครั้งไม่ถ้วนใจลอยใจไปทําอะไรได้บ้างใจวิ่งไิดูเวลาที่เราวิ่งไปดูอะไรสักอย่างเราจะลืมตัวเราเองตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง พวกเราที่มองเห็นพระพุทธรูปนะลองสังเกตดูว่าพระพุทธรูปนี้นั่งแบบไหนฐานของพระพุทธรูปมีกี่ชั้นลองสังเกตให้ดีมีฐานกี่ชั้นยอดท่านน่ยถ้าเกต์เป็นแบบไหนเป็นบัวตูมหรือเป็นเปลวเพลิงสังเกต ด, ดูนะขณะที่เราสนใจพระพุทธรูปใช่ไเราลืมตัวเราเองแล้วใจเราไปอยู่ที่พระใช่ไหมเราลืมตัวเอง เนี่ยเรียกว่าหลงไปทางตาเวลาเราหลงไปทางตาคือเราไปดูรูปนะใจเราก็หลงไปใจลอยไปทางตาเวลาเราได้ยินคนเขาคุยกันเราตั้งใจฟังเขาคุยกันนะใจเราลอยไปทางหูเราลืมตัวเราเองนะอย่างข้างบ้านเราเขาคุยอะไรซุบซิบซุบซิบนะเราอยากรู้อยากได้ยินมันดินทาเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพยายามทำจิตให้มีสมาธิเงียโสดฟังนะมันพูดเลยนาแวแวอะไรนะอย่างเงี้ย ในขนาดนั้นนะมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมเนี่ยหลงไปดูก็ลืมตัวเองหลงไปฟังก็ลืมตัวเองหลงไปกินของอร่อยนะหลงในรสอร่อยก็ลืมตัวเองนะพวกเราคนไหนเคยไดเอทบ้างเคยจากัดอาหารเพื่อจะลดน้ําหนักใครเคยเป็นไหมตั้งใจว่าจะกินข้าวสักยี่สิบคาพอหรือกินจานเดียวไม่โตมา ก, ร ก, ามมากรปรากฏว่า เริ่มต้นรู้สึกตัวได้สองสามคำนะที่เหลือเผลอหมดข้าไปสามจานนะมันใจลอยนะมันเคลิ้นไปมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนานนะบอกว่าต้องการประหยัดไปเดินศูนย์การค้าจะไปเอาแอร์เย็นๆที่บ้านร้อนตั้งใจว่าจะไม่ซื้ออะไรไปเห็นหมวกสวยๆอยากได้หมวกนะไปอยากได้หมวกรู้ทันว่าจิตอยากได้ เผลออีกทีเดียวนะหมวกกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยใจมันลอยไปลอยไปดูลอยไปฟังลอยไปคิดเวลาใจเราลอยไปคิดนะเราก็จะลืมกายลืมใจของตัวเองหลวงพ่อจะพาให้ดูใจลอยไปคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะในขณะที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะเอาละจะหยุดพูดละห้ามคิดคิดห คิดดูตลุดเลยเห็นไหมมันคิดได้เองดออกไหมมันคิดได้เองหยุดใหม่ชังเจนไ้มขณะที่มันคิดนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายใช่ไหมเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจงั้นถ้าเมื่ไรจิตเราหลงไปไหลไปเผลอไปนะเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดนะเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปลิ้มรสเผลอไปรู้สัมผัสทางกายเราจะลืมตัวเราเองงั้นการเผลอไปหรือการเผลอไปนะ เป็นศัตรูเบอร์หนึ่ให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ศัตรูเบอร์2ของนักปฏิบัตินะศัตรูเบอร์2ที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้คือการไปจ้องเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้เกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะไปเพ่งกายเพ่งใจเกือบร้อยละร้อยเลยนะแทบจะไม่มีใครที่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้อย่างเวลาบางคนไปรู้ลมหายใจก็ไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจ บางคนไปดูท้องพองยุบนะก็ไปจ้องอยู่ที่ท้องนะจิตนั้นมันไปจ้องไปเพ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพ่งอยู่ในความคิดก็ได้เช่นพะุทโธพุทโธเพ่งอยู่กับความคิดว่าพุทโธรู้ลมหายใจจิตไหลไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าบางคนยิ่งกว่านั้นอีกเลยเท้าออกไปนะจิตไหลไปอยู่ที่พื้น นั่นเดินจงกรมไปนะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้หมดเลยช่างแตกฉานสุดเกินในเรื่องพื้นไม่เกี่ยวอะไรกับกายกับใจของตัวเองเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับวิปัสสนาเลยมุตตะเดียนออกไปนอกกายนอกใจตัวเองมีบางคนนะนั้นเดินจงกรมบอกรู้หมดเลยเนี่ยเท้าแต่ละก้าวเหยียบลงไปนะอูพรมทั้งห้องเลยนะแต่ว่าแต่ละจุดที่เหยียบลงไปเนี่ยบางที่แข็งบางที่นิ่มกว่ากันไม่เหมือนกันหรอก รู้หมดเลยดิชันปฏิบัติดีมากเลยเหยียบลงไปที่ไหนรู้หมดเลยรู้พื้นแต่ไม่รู้กายรู้ใจตัวเองนี่ว่าพอนนาไม่เป็นนะไม่ได้ทำวิปัสนาจริงนะจิตมันชอบไหลไปนิ่งๆนะคนทั่วๆไปเนี่ยจิตจะไหลสเปสสปะส่วนใหญ่จะไหลวิจิตไหลทางตาไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปรู้รสอะไรเนี่ยตัวที่บ่อยที่สุดคือไหลวิจิตนะส่วนนักปฏิบัตินะจะไปเพ่งนะจะไปเพ่ง ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะฟุ้งซ่านไหลไป่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไหลไปคิดนะส่วนนักปฏิบัติเนี่ยเกือบทั้งหมดจะไปเพ่งรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจนะจิตก็นิ่งร่างกายก็นิ่งไปดูท้องพองยกก็ไปเพ่งท้องจิตก็นิ่งนะร่างกายก็ชักจะนิ่งนิ่งไปนะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะล้านะหนีพิคิดไอ้นี่หนีไปคิดเนี่ยหลุดจากการปฏิบัตินะไปเพ่งอยู่ที่เท้า จ้องอยู่ที่เท้านะร่างกายก็ทื่อๆใจก็ทื่อๆไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เห็นกายเห็นใจจริงนะนักเพ่งเนี่ยเห็นกายเห็นใจจริงแต่ไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยถูกแทรกแสงซะแล้วมันนิ่งกว่าความเป็นจริงเวลาพวกเราจงใจปฏิบัติเคยรู้สึกไหมใจเราจะแข็งแข็งทื่อๆนิ่งๆเอาละทุกคนลองรู้ลมหายใจของตัวเองสิ หายใจไปนะเราดูที่ลมหายใจไหรู้สึกบ้างไหมใจมันทื่อๆนะส่วนใหญ่เลยนะใจมันจะทื่อๆนิ่งๆไปถ้าเมื่อไรเราจงใจปฏิบัตินะเราจะไปเพ่ง ไ, ง, นะงไปจ้องนะ concentrate ลงไปหมายถึงเพ่งความสนใจไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะแล้วจิตมันจะไหลไปเกาะนิ่งอยู่ตรงนั้นเอง มันจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะกายและใจถูกแทรกแซงซะแล้วมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนี่เป็นศัตรูเบอร์ 2. สองศัตรูเบอร์หเมื่อไปใจลอยไปลืมกายลืมใจปฏิบัติไม่ได้แน่นอนศันะตรูเบอร์2คือไปเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจให้นิ่งมันไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้แต่เห็นกายเห็นใจอยู่นะ อย่างรู้ลมหายใจดูท้องพ อ, องยุบนี่เห็นหมดเลยท้องเป็นยังไงรู้หมดเลยแต่จิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องนั่นตัวนี้แหละทำให้ไม่เห็นความจริงของกายของใจนะเป็นศัตรูเบอร์สองถ้าใจลอยไปจะไปอบายได้ไปทุคติได้นะเพราะเวลาใจลอยเม่อเมือไปเนี่ยเป็นภูมิที่มีโมหแนะแทรกจะไปอบายถ้าใจลอยนะแต่ถ้าเพ่งไวเนี่ยไปสุคติได้นะ ไปเป็นเทวดาได้เป็นพลมได้แต่ไม่ไปนิพพานไปนิพพานไม่ได้พระทเจ้าเคยตอบเทวดาองค์หนึ่งเทวดามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคาโอคาหมายถึงห่วงกิเลสนอะพระองค์ข้ามกิเลสไปได้ยังไงเทวดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วมาถามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้มาด้วยความอาหังการนะกูก็เก่งเหมือนกันพุทธเจ้าท่านตอบบอกว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามพ่วงน้ําห่วงกิเลสได้นะเพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่ไม่พักอยู่แล้วก็ไม่เพียรอยู่เทวดาฟังคําตอบของพุทธเจ้าน่างงเลยไม่พักอยู่พอรู้เรื่องใช่ไหมไม่เพียรนะไม่เพียรแล้วข้ามโอกฆ่าข้ามกิเลสเป็นทารหันได้ยังไง ในใจของนักปฏิบัติทุกคนต้องเพียรให้หนักนี่คือจะข้ามกิเลสได้พระเจ้าตอบเทวด า, วาเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรเทวดานี่นะมีความดีอย่างหนึ่งพอรู้ว่าตัวไม่เข้าใจนะไม่รักหน้าถามเลยว่าพราะองค์ที่ว่าไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่หมายความว่ายังไงท่านบอกพรธเจ้าท่านขยายความให้ดูคอนเทวดาถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้น เราไม่พักเราไม่เปลี่ยนนะเราข้ามโอคาข้ามห่วงกิเลสได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้พระโสดาบันเลยฟังพวกเราได้ไหมฟังฟังแล้วงงต่อนะทีแรกพระพุทธเจ้าบอกไม่พักไม่เพลียนเทวดางงใช่ไหมเนี่ยพอพระพุทธเจ้าขยายความบอกถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียนเราจะลอยขึ้นเทวดาได้โสดาแต่พวกเรายังงงอยู่แสดงว่าพวกเรายังไม่ได้เป็นพระโสดานะท่านจะต้อง ท่านจบแค่เนี้ยนะัต เ, เวดาก็เขารบพระพุทธเจ้านะกลับไปได้ดีแล้วได้ของดีแล้วไม่ได้นึกว่าเป็นพระอรหันต์นะ้ส่วนพวกเรายังไม่รู้เรื่องต้องขยายความต่อถ้าพักอยู่ก็หมายถึงการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสก็เม่อเมื่อไปนะนะั่นแหละใจลอยทั้งวันเมื่อไปหมดลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะใจลอยถ้าพักอยู่จะจมลงใจที่หลงตามกิเลสไป็นตลอดเวลาจะจมลง จิตใจจะตกต่ำลงเรื่อยๆนะมีอาบายเป็นที่ไปนะถ้าเพียนอยู่จะลอยขึ้นเพียนอยู่ก็คือเนี่ยพยายามควบคุมกายพยายามควบคุมใจบังคับกายบังคับใจให้มันดีให้มันเรียบร้อยให้มันสุขให้มันสงบนะให้มันดีบังคับมากๆควบคุมมากๆจะลอยลอยไปไหนลอยไปเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นผลมได้แต่ไม่ไปนิพพานพระพุทธเจ้าหลุดออกจากความหลงไปนะเหม่อไป หลุดออกจากาการบังคับกายบังคับใจอยู่ในทางสายกลางท่านรู้กายอย่างที่กายเป็นท่านรู้ใจอย่างที่ใจเป็นถ้าเมอไปใจลอยไปก็ไม่รู้กายรู้ใจถ้าไปบังคับกายบังคับใจไปจ้องไปเพ่งอยู่ที่กายที่ใจนะจะไม่เห็นความจริงของกายของใจร่างกายจะแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้จิตจะไม่แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเพราะฉะั้นถ้าเราต้องการเจริญปัญญานะไม่พักไม่เพียนนะง่ายๆเลยนะ เราดูร่างกายมันทํางานไปเรื่อยเหมือนเราดูคนอื่นนะอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกเลยร่างกายมันนั่งอยู่เราเป็นแค่คนดูนะเหมือนเราดูคนอื่นนั่งอยู่ดูไปเรื่อยแล้วมันนั่งมันเมื่อยนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคัน้นมันเมื่อยแล้วก็ขยับสัหน่อยไม่ต้องแกล้งเมื่อยนานๆนะบางคนเรื่องเมื่อยๆนะภาวนาผิดก็มีนะนั่งสมาธิไปแล้วมันปวดมันเมื่อยนะก็ตั้งใจเลยจะนั่งไปเรื่อยๆจะเอาชนะความปวดความเมื่อย พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปเอาชนะความป่วยความเมื่อยท่านไม่ได้สอนให้เอาชนะอะไรนะท่านสอนให้เรียนรู้ความจริงความป่วยความเมื่อยก็ไม่เที่ยงความป่วยความเมื่อยก็บังคับไม่ได้ต้องการให้เห็นตรงนี้ตั้งหากงั้นพวกเราก็คอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะร่างกายนั่งอยู่เรารู้สึกอย่าไปจ้องดูเหมือนดูคนอื่นดูอย่างสบายใจนะเวลาจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็อย่าไปบังคับมันอย่าไปแทรกแซงมันรู้อย่างที่มันเป็น จิต ใ, ใ time, จ, emotion, จ, จ, mm จ, จเราเดี๋ยวก็สุขจิ man, ตใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเราเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็ร้ายร้ายก็มีหลายแบบเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงรู้จักรอบ้ยมรอบก็อยากน้วนอยากนี่โกรธเป็นไหมใครใครไม่เคยโกรธมีไหมทุกคนเคยโกรธใช่ไหมใครไม่เคยหลงมีไหมฟุ้งซ่านใครเคยรู้จักไหมฟุ้งซ่านวันหนึ่งเวลาฟุ้งซ่านเยอะไหเกือบทั้งวัน วันที่ไม่ได้ภาวนานะฟุ้งซ่านเกือบทั้งวันส่วนนักปฏิบัติก็เพ่งทั้งวันเหมือนกันนะเลยไม่บรรลุมรรผลด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าพวกที่หลงตลอดเนี่ยจะไปอบายพวกที่เพ่งๆ เ, เอาไว้ควบคุมกายควบคุมใจไม้ไปสุขติแต่ไม่ไปนิพพานนะถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะไปนิพพานได้เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วดูสบายๆดูเหมือนดูคนอื่น เห็นร่างกายมันหายใจตอนนี้ร่างกายหายใจทุกคนรู้สึกไหมร่างกายหายใจนั่งดูมไปเราจะไปดัดแปลงใจให้ซึมๆชื่อๆนะเห็นร่างกายมันหายใจนั่งดูซิขยับมือซิเห็นร่างกายมันขยับขยับสบายเนี่ยเวลาร่างกายเราจะเคลื่อนไหวมันจะหยิบน้ำนะเห็นร่างกายมันเอื้อมมือไปเห็นมันเคลื่อนไหวไปไม่ต้องดัดจริตนะหรือจะกินน้ําเนี่ยขยับ ้องชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงแก้วน้ําเลยนะเพง่งเพง่งเพ่งนะเครียดมากเลยเครียดสุดท้ายพอกมือใกล้แก้วน้ํานะไตาวายไปซะก่อนขาดน้ําร้ายแรง <laughs> เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติธรรมดานะปล่อยให้จิตใจทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาปล่อยให้ร่างกายทํางานตามธรรมชาติธรรมดาต่างกับคนธรรมดานิดเดียวตรงที่มีสติ มีสติคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเนี่ยพวกเราเกากันยุกยุกยยิ ก, ยกรู้สึกไหมเนี่ยไม่รู้สึกหรอกกําลังเกาเพลินเพลิ น, นะไม่รู้สึกนะง่ายนิดเดียวคอยรู้สึกหน่อยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้นะลองขยับนี่ลองจับลองจับมือตัวเองอย่างนี้ดูสิรู้สึกไหมมันเป็นท่อนท อ, นอะไรสักท่อนหนึ่งบางที่ก็แข็งบางที่ก็นิ่มใช่ไหมในมือเรา จับมือตัวเองนะอย่าไปจับมือคนอื่นเขาลองจับจับดูมันเป็นก้อนก้อนเป็นท่อนท่อนใช่ไหมไอ้ท่อนนี้มันบอกไหมว่าเป็นมือเรามันบอกไหมว่ามันเป็นมือใจถ้าหากเป็นคนคิดใช่ไหมร่างกายไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นมือร่างกายไม่เคยบอกเลยว่านี่ตัวเราใจถ้าหากเป็นคนไปคิดเอาเองเนี่ยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะมันจะเห็นความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นท่อนๆนะน แล้วก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความจริงของร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่วัตถุแล้วก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามาหัดรู้จิตใจนะหัดรู้จิตใจก็ไม่ยากอะไรหรอกนะถ้าดูอะไรมากมายไม่เป็นนะดูสามอย่างพอเวลาใจมีความสุขให้รู้ทันเวลาใจมีความทุกข์ให้รู้ทันเวลาใจไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็รู้ว่าตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกข์แค่นี้พอแล้ว นะแค่นี้ก็พอละใจมีความสุขตอนนี้มีความสุครู้ว่ามันมีความสุขความสุขหายไปรู้ว่าความสุขหายไปแล้วมีความเฉยเฉยเกิดขึ้นรู้ว่ามันเฉยเฉยความเฉยเฉยหายไปก็รู้ว่ามันหายไปกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือกลายเป็นสุขขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะสุขจะทุกข์หรือจะเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจรู้มันไปทั้งวันแค่นี้แหละจะยากอะไรพวกเรารู้จักใช่ไหมสุขก็รู้จักทุกข์ก็รู้จักเฉยเยก็รู้จัก ก็ตอนนี้มันสุขก็รู้ตอนนี้มันทุกข์ก็รู้ตอนนี้มันเฉยก็รู้ก็แค่นี้แหละ จ, จะยากอะไรนะลกงปุ่ดูนดึงบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะงั้นเราคอยรู้สึกนะคนไหนถนัดรู้สึกกายก็ดูกายมันทำงานไปร่างกายมันเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาคนไหนถนัดรู้ความรู้สึกทางใจก็ดูจิต ด, ดูใจไป ดูอะไรมากไม่เป็นเขดูสุขดูทุกข์ดูเฉยเฉยแต่บางคนขี้โมโหว่างลาในห้องนี้คนไหนขี้โมโหยกมือให้ดูหน่อยสิขี้โมโหอ่คนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยขี้โมโหเยอะกว่าคนไหนฟุ้งซ่านเก่งใจรอยเก่ ง, กงคนที่ไม่ยกคือคนโกหกแล้วใจรอยเนี่ยใจรอยกันทั้งวันอยู่แล้วล่ะเนื้อสดถ้าคนไหนขี้โมโหนะ แล้วก็คอยรู้ทันใจของเราโมโหเมื่อไหร่รู้เมื่อ น, นั้นนะโมโหเรารู้นะไม่ใช่ว่าห้ามโมโหนะถ้าห้ามโมโหเนี่ยตึงเกินไปอันนีจ้จะไปสุขติได้จะลอยขึ้นห้ามโมโหแต่ถ้ามันโมโหแล้วเราเ ร, า ร, ารู้เราจะเห็นว่าความโกรธนะมันไม่เที่ยงมาแล้วมันก็ไปนะแล้วมันบังคับไม่ได้เคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธล้วก็โกรธอเคยไหมตั้งใจจะไม่รักเราก็รักเคยไหมบางคนนะ ถูกไอ้หนุ่มมันหลอกพอถูกมันหลอกก็เจ็บใจมากเลยตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่เชื่อมันอีกแล้วนะพอไอ้หนุ่มมันกลับมาหาต่อไปนี้ผมไม่โกหกคุณอีกแล้วล่ะเชื่อเลยโอนี่ว่าจะไม่เชื่อก็เชื่อนะใจมันห้ามไม่ได้ใจมันบังคับไม่ได้เนี่ยดูของจริงลงไปนะจะโกรธขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้ใชจะรักขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้ จะทุ้งซ่านหรือจะหดหูเวลาหดหูห้ามได้ไหมอย่าอย่าเซ็งเลยนะเบิกบานไว้บอกตัวเองนะเบิกบานไว้เบิกบานไวนะ้มันไม่ยอมเบิกบานเงีนะนะ้ห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงนะดูของจริงเข้าไปที่ใจเราที่ร่างกายที่ร่างกายของจริงก็คือมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นวัตถุไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิต ด, ดูใจนะก็จะเห็นเลย ใจไม่เที่ยงดู ง, ง่ายที่สุดเลยทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราชั่วคราวแป๊เดี๋ยวก็หายแป๊บเดียวก็หา ย, แ, ย, หายแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้ว่าจะไม่โกรธก็โกรธว่าจะไม่รักก็รักนะว่าจะไม่หลงก็หลงต่อไปนี้ห้ามพวกเราหลงนะคิดยังคิดนี่แหละเรียกว่าหลงคิดละ่ะนะเวลาที่เราคิดเราก็ลืมกายลืมใจ เมื่อไรลืมกายเมื่อไหรลืมใจเรียกว่าหลงนะเมื่อไหรรู้สึกกายรู้สึกใจไม่หลงเมื่อไรเ่เพ่งกายเพ่งใจอยู่ไม่หลงนะแต่ว่าจริงๆก็หลงเพ่งจิตที่ก็เคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่กายที่ใจหลงเหมือนกันถ้าแค่รู้สึกกายรู้สึกใจไม่เรียกหลงได้มีสติอยู่ต่อไปนี้ตั้งอกตั้งใจนะการปฏิบัตินะหลวงพ่อสรุปให้ฟังง่ายๆท่านแรกเลยเพราะเรารักษาศีลห้าไว้ก่อน ถ้าเรามีศีลห้าใจเราจะสงบง่ายถ้าคนไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านอย่างคนคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาใจฟุ้งซ่านคนที่มีเมตตาต่อคนอื่นจิตใจมีความสุขความสงบคนที่คิดลักขโมยเขาชอบโกงเขาจิตใจไม่สงบคนที่ไม่เอาของใครนะไม่โกงใครสบายใจกว่าคนที่จะเป็นชู้กับเขาอะไรเนี่ยไปหลอกคนที่เขาลักอะไรนะจิตใจวุ่นวาย คนที่ซื่อสัตย์อยู่กับคู่ของตัวเองไม่วุ่นวายจิตจะเป็นอุเบกขามากเลยเชื่อไหมลองแต่งงานนานๆนะอุเบกขามากเลยเห็นหน้าแล้วก็เฉยไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วเนะอุเบกขาแล้วนะเจอคนอื่นนะกะดีกระดาใช่ไหมกะดีกระดาขึ้นมาจิตเนื้อกระสรับกระสายวุ่นวายใช่ไหมแล้เจอคนเก่าเหมือนเจอเก้าอี้ตัวหนึ่งอนะ่นะจิตอุเบกขาใช่ไหมจิตสบายสบาย หรือคนโกหกจิตฟู้งซ่านนะต้องคอยจำโกหกคนนี้ว่าอย่างนี้โกหกคนนี้ว่าอย่างนี้โกหกสคนไม่เหมือนกันเนี่ยลำบากมากเลยเวลาไอ้สอคนนี้มาเจอกันต้องหาทางโกหกช้อยที่3ให้ไอ้สคนนี้เชื่อถ้ามันมี4คนต้องหาช้อยที่5้านุปปาเขาลำบากมากเลยคนที่พูดความจริงสบายใจแต่ต้องรู้จักกาละเทศะนะคนพูดความจริงตายมาเยอะแล้วล่ะ น้นเวลาพูดความจริงไม่ใช่บอกถือศีลพูดความจริงทุกอย่างเห็นภรรยาของเราหน้าตาดูไม่ได้แล้วก็พูดความจริงของไม่ควรพูดก็อย่าพูดสินะแล้วก็อย่าไปพูดซะคำว่าไม่มุสาไม่ใช่แปลว่าพูดไม่โกหกอย่างเดียวนะต้องพูดด้วยมีความเมตตาพูดอ่อนหวานพูดเหมาะกาลเทศะนะพูดมาสมควรจะพูดพูดความจริง องค์ประกอบมีเยอะนะไม่ใช่พูดความจริงแล้วบอกมีสีนข้อสไม่ใช่พูดความจริงอาจจะไม่เหมาะสมเลยก็ได้นะถือว่าด่างพร้อยพูดความจริงในเวลาที่ไม่สมควรพูดมีไหมพูดตลอดเวลาเจอใครก็จะพูดแต่ความจริงอย่างสมมุติว่าหลวงพ่อเป็นพระใช่ไหมเจอใครหลวงพ่อจะเทศลูกเดียวเลยมึงอยากฟังไม่อยากฟังกูจะเทศละอย่างนี้มมสานะพูดเพ้อเจ้อพูดตอนที่ไม่สมควรจะพูดครั้ ง, งที่เป็นความจริงนะ แต่เข้าขายเทอร์เจอร์นะก็เป็นมูสาวาดนะเพราฉนพวกเราระวังนะบางคนเรียนกรรมาฐานสักหน่อยแล้วใจอยากสอนธรรมะใครเคยเป็นไหมอยากพูดธรรมะไม่มีใครฟังก็พูดให้ต้นไม้ฟังพูดไปเรื่อยถามว่าทำไมไปพูดให้ต้นไม้ฟังเผื่อรุกขเทวดาได้ยินนะัมองโลกแง่ดีชะมัดเลยนะงั้นต่อไปนี้นะรักษาศีลห้าไว้ใจจะสบายรักษาศีลห้าแล้วต่อไปก็คอยฝึก ให้จิตใจอยู่กับเนื้อคตัวใจลอยไปรู้ทันใจลอยไปรู้ทันนะใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานเหมือนเห็นคนอื่นทํางานนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมเอายิ้มซิทุกคนยิ้มหน่อยตกเย็นแล้วยิ้มหน่อยนะบางคนไม่มั่นใจเพิ่งกินขนมมานะยิ้มไม่ค่อยออกยิ้มแห้งๆนะยิ้มเห็นไหมร่างกายยิ้มเห็นไหมนะพยักหน้าซิเห็นร่างกายพยักหน้าไหม ง่ายหไหมง่ายตอนนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมขณะนี้มีความสุขเป็นส่วนใหญ่ลองดูไปสิความสุขจะค่อยๆเปลี่ยนเป็น o B K K อุเบกขาเราสังเกตดูความสุขเห็นไหมเริ่มลดลงแล้วเห็นไหมความสุขที่มีมากๆนะค่อยๆนิ่งๆิ่งน่ง่งลงไปดูมากกว่านี้จะกลายเป็นทุกข์ไปเลยกลายเป็นเพ่งเ่อเพ่งเมื่อไหร่ก็ทุกข์มานั้นนะน่นแน่นเราแค่รู้สึกรู้สึกเป็นคลาลไม่ต้องรู้สึกตลอดเวลาถ้ารู้สึกตลอดเวลาคือเพ่ง รู้สึกเป็นคลาว์คลนะรู้สึกบ่อยหน่อยอย่าเผลอนานเท่านั้นแหละนะถ้าฝึกให้ได้3ประการนี้นะรักษาศีลหไว้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกระตัวใจลอยแล้วรู้ไหวไไหวใจลอยแล้วร่้ไหวไไหวอย่าใจลอยนานาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะี่ดูของจริงไป ถ้าเราดูของจริงพระพุทธเจ้าสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วคือความเกิดไม่มีอีกแล้วพระมอาจารย์การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเสร็จแล้วท่านบอกชาติสิ้นแล้วพระมอาจารย์จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจนะอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะถ้าถึงความบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้ว ตัวอย่างมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยเพราะงั้นงานในทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดเดือนนี้ทํางานรับเงินเดือนมาใช้ใช่ไหมเดือนหน้าก็ต้องไปทํางานอีกต้องทํางานตลอดชีวิตนะ ไ, ไม่งั้นก็ไม่มีจะกินอะไรเงี้ยหรืออาบน้ําอาบน้ำอาบันทั้งชาติเลยใช่ไหมอาบวันนี้แล้วเว้นไปปีหน้าอาบไหวไหมไหวเหมือนกันถ้าวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาแต่ถ้า เดือนตุลาเนี่ถึงปีหน้าแล้วค่อยอาบอีกทียังไม่ไหวไม่แค่แค่งานอาบน้ำนะยังอาบไม่รู้จักเลิกเลยนะต้องทําทุกวันงานกินข้าวต้องทําทุกวันใช่ไหมเออไม่สบายต้องไปหามหมอนะเก็บค่ายได้ป่วยวุฒภาราเยอะเลยนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจภาระเยอะเลยแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงมากๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมจิสลัดหมดความยึดถือน้ําสลัดคืนร่างกายให้โลกคืนจิตใจให้โลก เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้เป็นธรรมะที่จะรู้ด้วยตัวเองพรนะพุทธเจ้าสอนวิธีให้เราได้นะหน้าที่ของเราลงมือปฏิบัตินะต่อไปนี้ปฏิบัติ3อย่างที่ว่านั่นแหละรักนษะนะาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจเข้าทำงานดูเท่านั้นอย่าไปแทรกแซงนะถ้าทำสามข้อนี้ได้นะเวัน7เดือน7ปีควรจะได้อย่างน้อยพระโสดาบันนะควรจะได้ บางคนดีเกินไปไม่ได้บางคนเลวเกินไปไม่ได้ดีเกินไปเช่นอยากได้พุทธภูมิอยากเป็นพระพุทธเจ้านะภวนาแทบตายเลยไม่ไม่ได้โสดาพราถ้าได้โสดาแล้วจะไปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ละนะบางคนเลวเกินไปนะฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกเราคนไหนฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วยกมือซิมีไหมไม่มีใช่ไหมเพราะงั้นยังไม่เข้าขั้นเลวเกินไปด่าพระอริยมีไหมรู้ได้ไงว่าใครเป็นพระอริย เพราะไม่ด่าใครเลยสักคนปลอดภัยนะด่ามั่วซั่วไปด่าเจอภาริยาข้ า, าขวางนะไม่บรรลุมรรคผลแต่ถ้าด่าภาริยานะอย่างแก้ได้นะถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เราแก้ไม่ได้ลนะชาตนนี้เขาเรียกว่าลม้มเหลวเลยแต่ถ้าอย่างเราไปล่วงเกิดภาริยะเราไปด่าจิตเราจะเศร้าหมองนะหรือครูบาอาจารย์นะด่าพระพุทธเจ้านะด่าพระพุทธเจ้าก็ได้นะท่านไม่อยู่แล้วไปด่าตามหลังเนี้ย พวกนี้ก็ภาวนาไม่ขึ้นเหมือนกันภาวนาไม่ได้แต่ว่ามีวิธีแก้นะขอเข้ามาได้ขอเข้ามาขอเข้ามาไม่ใช่ขออโหสินะอโหสิกรรมขอไม่ได้กรรมเมื่อทําแล้วต้องรับผลขอโทษได้เยังไงถ้าเราไม่ดีเกินไปเราไม่เร็วเกินไปนี่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้ธรรมมาบ้างอย่างน้อยชีวิตเราเปลี่ยนถึงไม่ได้พระโสดานะ ชีวิตเราก็เปลี่ยนเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเราจะรู้ด้วยตัวเองชีวิตเราเปลี่ยนเราจะรู้คุณค่าของคำสอนของพระเจ้างั้นไปทำเอานะาตั้งตาไฟให้ส่งกันบ้านแปดคนบางคนนะหลวงพ่อไปเทศทั่วๆไปพอถึงช่วงส่งงานบ้านเนี่ยจะมีคนชิงหนีกลับก่อนไม่รู้หรอกว่าฟังคำถามของคนอื่นนะบางทีเอามาภาวนาได้นะ เพราะบางคนถามตัวเองตัวเองถามไม่เป็นหรอกฟังคนอื่นเถามแล้วก็ได้ยินคําตอบแล้วปิ้งเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งหนีแต่ถ้าใครจําเป็นจะหนีไปก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกอ้างว่ามาครับเก่านามาสการครับเพ่งอยู่หรือเปล่าเพ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่แลครับใจใจขนาดนี้มีน้ําหนักไหมมีบ้างนิดหน่อยครับมีบ้างนิดหน่อยแสดงว่าเพ่งบ้างนิดหน่อยครันะถ้าไม่เพ่งเลยใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะ แ<ต><ก>สดงว่าตอนนี้เพ่งนิดหน่อยอะว่ามาก็ผมส่งกันบ้านภายในรอบหนึ่งปีนะครับเพราะแต่ก่อนนี้ไปส่งที่บ้านจิตสบายนะครับหลวงพ่อบอกว่าผมถูกจิตผมถูกล็อกอยู่พยายามหาทางแก้ไขอยู่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยผมไปทําบุญที่ชัยภูมินะครับก็ไปเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็ท่านก็แนะนําให้ผมไปดูมูลกรรมฐานนะครับก็คือกรรมฐานห้าก็ให้พิจารณาไป ผมก็พิจารณาอย่างแยกคายนะครับก็มันจะหมุนเองในท้องโดยอัตโนมัติจะหมุนไปเวลาเราพิจารณามันก็จะหมุนโดยอัตโนมัติเนี่ยละเวลาที่ติดสมถะนะครับส่วนมากครูบาอาจารย์ให้ไปพิจารณากายครับตรงที่พิจารณากายนี้ยังไม่ขึ้นมิปัสนาแต่เป็นอุบายที่ยัไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยครับก็ดีแล้วละ่ะทั้งนั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาก็พิจารณาตัวเนี้ครับสักพักหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติตามของพ้าอาจารย์นะครับคือตามรู้เอียบวดกับ สิ่งที่เกิดกระทบทางอายาจาย์ภายนอกภายในนะครับก็คื อ, อตอนหลังๆเนี่ยเยียรบทเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งมันเกิดขึ้นอัตโนมัติอื ม, มันรู้ตัวของมันเองเออตั้งอย่างนั้นนะมันรู้ตัวของมันเองผมก็ไม่รู้ว่าตอนลุกขึ้ น, นมาเนี่ยมันอัตโนมัติหมดคือเยียรบทเนี่ยเราไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่ามันต้องไปทางนั้นทางนี้คือรู้ข อ, ข, อของเขาเองอครับอย่างนั้นถึงจเรียกว่าทําเป็น แต่แต่มันไม่มันไม่มันมันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่เที่ยงครับคือมันหายได้อืครับมันหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติต่อตามที่พระอาจารย์บอกก็เจอจากเ อ, อจิตที่อกุศลเนี่ยกับกุศลเนี่ยเขาจะตัดเองโดยอัตโนมัติครับคือคือผมเคยมีอดีตอย่างไรผมทําอะไรไปไว้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ ย, ยขนาดเนี้ยรู้ไหมจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลครับอกุศล กคี้เหลอคใช่ไหมเล่าเล่าๆลแล้วมันรู้สึกไหมมีความมันเกิดขึ้นอุ้มมันไว่ให้เเล่าใหญ่เนี่ยอากูสันนะเนี่ยรู้ลงไปฆ่าว่ามาก็หลังจากนั้นเขาก็จะตัดตัดเขาเองอัตโนมัตินั่นอยู่ที่รู้นะรู้เขาขาดเลยครับแต่พอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเอหลังจากที่เกิดจากนั้นก็เป็นเข้าสภาวะความเป็นกลางของของจิตอะนะครับคือสิ่งที่กระทบภายนอกทั้งหมดเนี่ยมองทุกอย่างเป็นกลางอื ก็สักพักนึงครประมาณกลางก็ต้องกลางเองนะสัปดาห์หนึ่งครับห้ามห้ามไปโจงใจให้เป็นกลางใช่ครับต้องกลางของมันเองเขาวงโดยอัตโนมัติของเขาเองอีกเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าคือทุกอย่างที่กระทบเนี่ยเป็นกลางหมดอืแต่ครัหลังจากนั้นเนี่ยพอผมพอผมสักพักเนี่ยผมดีดมันดีดคืนเข้ามาสู่สภาวะความปรุงแต่งของจิตนะครับก็เหมือนเดิมก็กลับมาสู่ทั้งโลกก็คือมันเหมือนดีดตัวเข้ามาสู่สภาวะปกติอื ครับผมก็เลยตอนนี้ก็ยังอยู่แบบเห็นไหมว่ามันเป็นเองมันเป็นเองเห็นไหมว่าเลือกไม่ได้เนี่ยคือคําว่าอนัตตาครับนะดูลงไปเลยมันสอนธรรมะเราละครับนะให้กันบ้านเพิ่มนะครับไปรู้ทันของคุณมันจะมีพูดเป็นคนพูดตรงๆได้ไหมโมโหไหมไม่โมโหครับพ่อบอกแล้วไม่โกรธนะครับแล้วปากนะครับเราอเซลล์จัดไปดูตัวนี้นะเออแล้วเราจะเชื่อมั่น ความคิดของเรามากนะใปนกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกันมันจะซ่อนอยู่นะแต่คอยรู้ทันไหมอ้คนต่อไปต้องถามก่อนนะบางคนขี้โมโหเราก็ต้องโอโลมปฏิโลมนานๆหน่อยถ้าคนกล้าหาญอย่างนี้พูดตรงไปตรงมาได้นะเรียนกรรมฐานง่ายนะถ้าพวกแบบโูรักหน้ามากนะหน้าเธอสำคัญยิ่งกว่าคุณธรรมนะอสอนยากพวกนั้นต้องใจถึงๆนะเอออย่ากลัวครูบาอาจารย์นะ อยิ่งกลัวคือโกรธบางคนมันโกรธเก่งนะนมัศการเจ้าค่ะโยมไม่ได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อตั้งปีกว่าอืม่เห็นว่าควรจะมาบ้างแล้วคือโยมเห็นว่าการภาวนานี่ภาวนาไปมากๆก็เหมือนกับไม่ค่อยมีคําถามเท่าไหร่มีครับเพราะเราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองใช่เราจะต้องไปถามอะไรเราดูกายก็เพื่อให้เห็นไจรักษ้ยดูใจก็ให้เห็นไจรักมันก็แสดงใจรักอยู่แล้วไปถามอะไรใครแต่ทีนี้โยมก็กลัวว่า ถ้าทิ้งเวลาไปนานใจลอยแล้วถ้าเกิดโยมทิ้งเวลาไปนานๆมันทีโยมอาจจะหลงทางไปภาวนาผิดไปก็เลยคิดว่ามารายงานการปฏบบิบัติบ้างดีกว่าทําในรูปแบบหรือเปล่าทําเจ้าค่ะแล้วทําแบบไหนโยมจะเดินจงกรมเจ้าค่ะประมาณเวลาสี่สิบสามสิบนาทีแล้วไปเดินให้ดูหน่อยได้ไหมได้เจ้าค่ะเอาคนอื่นดูด้วยจะได้หัดเดินจงกรมจงกรมไปว่าก้าวไปพ่อแม่เราสอนให้เดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละ เดินด้วยความรู้สึกตัวถนัดเดินยังไงก็ได้เอามือไว้ข้างหลังไว้ข้างหน้าตามสะดวกเดินจกลมเนี่ยนะไม่ได้เดินเอาเวลานะไม่ใช่ว่าจะเดินกี่นาทีไม่ใช่ว่าเดินเอาระยะทางจะเดินกี่เที่ยวเดินให้มีสตินะงั้นเราเดินไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอย่างนี้ใจใจหนีไปคิดนะใจหนีไปคิดถ้าให้รู้ทันก็กลับมารู้สึกตัว สังเกตไหมว่าเดินสุดทางครับตอนที่หมุนตัวเนี่ยนะจิตมันหนีไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปสุดทางนะหยุดก่อนยืนนิ่งๆก่อนรู้สึกตัวนะแล้วก็หมุนพอหมุนตัวเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินใหม่สติจะได้ต่อไม่ขาดไม่ไปขาดตรงหัวทางจงกลมเอาใหม่เดินใหม่อ๋อตื่นเต้นมากเพาะฉั้นเดินกลับไปที่นั่งเนี่ยเห็นร่างกายมันเดินเนี่ยเห็นร่างกายมันเดินแค่นี้เองใจมันจะโล่งเลยนะ แต่ถ้าเดินเดินเดินอยางนี้จะเคลียดเครียดนะคือปกติที่โยมเดินจะจะไม่เป็นอย่างนี้จังหวะจะดีกว่านี้หน่อยนึงเออใช้ได้แล้วก็มีอยู่พักหนึ่งที่โยมไปฟังที่คุณมาลีสอนการบ้านเนาะค่ะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องหัวจมคมก็ท้ายจงกรมนะอย่ได้นินทาจงกรมแกนั่งอยู่เนี่ยโยมเมื่อกี้โยมสวัสดีคือโยมโยมก็อยากปฏิบัติให้ถูกต้องอะค่ะแล้วก็โยมไปลองทําแบบนั้นดูปกตโยมทําไม่ได้เพราะว่ามันเกรง ต่อมาโยมก็ไปปรึกษาอาจารย์สุรวัตรอาจารย์สุรวัตรก็บอกว่าถ้าแบบเดิมดีกว่าก็ลองให้คือประมาณว่าก็ใช้แบบเดิมไปปรากว่าโยมก็ยังดื้ออยู่โยมทําทั้งสองอย่างบางครั้งก็ได้บางอย่างบางครั้งก็อย่างนหนึ่งดีบางครั้งอันหนึ่งก็ไม่ดีใช่ไหมโยมเลยเห็นว่ามันไม่แน่นอนดูเราดูให้เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะของคุณเนี่ยโดยธรรมชาติเป็นคนช่างคิดมากเจ้าค่ะนะเพราะฉะนั้นดูจิต ด, ดูใจไป ดูจิตดูใจดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงดูบ่อยๆคถึงเดินก็เดินจงกรมไปเพื่อดูจิตดูใจไม่ให้เดินดูกายใช่จ้าค่ะก็จะโยมดูกายเป็นหลักจ้าค่ะโยมไม่ได้ดูจิตโยมดูกายเป็นหลักจ้าคือใช้กายเป็นสื่อที่จะไปดูจิตที่เออได้ถ้าใช้กายผ่านไปสู่จิตได้แต่ถ้าดูอยู่ที่กายแล้วเพ่งกายอย่างเดียวใช้ไม่ได้คิดว่าคงไม่เป็นทีนี้โยมขออนุญาตส่งสภาวะจ้าค่ะคือเมื่อเมื่อพักก่อน พักใหญ่ๆก่อนหน้านี้โยมไปนั่งสมาธิแล้วโยมสามารถนั่งได้สงบซึ่งนานๆจะทําได้ครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นเนีโยมบทประชุมจะนั่งสมาธิโดยการดูกายแล้วก็ลืมตาจช่ไหมวันนั้นโยมก็ดูขาตัวเองที่เหยียดไปปกติเนี่ยพอดูพอใจสงบแล้วเนี่ยก็เห็นมันเป็นท่อนๆ น, นี่เป็นปกติที่เราจะดูได้แต่วันนั้นเนี่ยไอ้ท่อนตัวเนี้ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่ท่อนที่ซ้ําไปเพราะว่ามันไม่มีจํานวนและไม่มีตําแหน่งองโยมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกๆใช่ไหมก็คแค่รู้สึกว่าสิ่งบางสิ่งมันมีอยู่ าาแล้วหลังจากนัน้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นโยมก็เห็นว่าขาทาปลายเท้านี่มันแหว่งไปโยมก็ตกใจคิดถึงการเป็นโรคเบาหวานแล้วถูกตัดขาอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วโยมก็เลยหลุดออกมาจากก็ให้รู้ทันว่าจิตมันหลุดออกมาละแล้วตรงนั้นนี่มันคือการที่เราเดินปัญญ า, าในสมาธิแต่โยมเดินนั่งสมาธิไม่เป็นนะเคะเราไปเพ่งมากๆเข้ามันกลายเป็นสมาธิเจ้าค่ะแล้วก็อีกสภาวะหนึงอันนี้ไม่นานเท่าไหร่เจ้าค่ะคือโยมเห็นว่า กายเนี่ยมันแยกออกมาแล้วกายไม่ใช่ตัวเราอจิตแยกออกมาจิตไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วทีนี้จิตเนี่ยเหมือนกับเข้าพยายามหาตัวเราแล้วก็หาไม่เจอไม่เจอแล้วก็เป็นเปล่าเล่าอย่างนี้จ้ะตัวเราไม่มีอันนี้ถูกแล้วนะจ้ะถูกแล้วอย่างหลังเนี่ยถูกนะส่วนที่ร่างกายหายเป็นท่อนๆหน่อยนั้นเป็นเรื่องของสมาธิแต่แต่ตอนที่เราที่เราไปเห็นหาเป็นท่อนนี่คือโยงกับมองว่ามันอาจจะเป็นวิบัตินาในในไม่ใช่ด้วยจ้ะเปนนิมิตใช่ไหมจ้ะ มันยากมากเลยตจ้าค <um ่ะที่จะแบ่งแยกตัวนี้ออกมาจากกันนี่เป็นไรอีกหน่อยเขไม่ยากอะไรใหม่ๆมันก็ยากเท่งนั้นแหละเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมัสการครับเอผมบึ่งเริ่มปฏิบัติมาได้เดือนกว่าครับตอนนี้ที่ผมปฏิบัติอยู่แต่ก่อนเป็นแบบเพ่งตอนนี้ได้เลิกแล้วรู้สึกว่าตอนที่นั่งปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันฟุ้งซ่านแต่ว่าก็ฟุ้งซ่านกระลูฟุ้งซ่านกระลูมันก็หยุดไปแต่ต้องอดทนนะ ถ้าเราเคยติดเพลงมาเนี่ยพอเราเลิกเพลงนะจะฟุ้งมากกว่าคนทั่วทั่วไปให้เราค่อยรู้ทันเอาทนเอาแล้วก็ตอนนี้ที่ผมปฏิบัติอยู่คือตอนเตียนที่ผมออกเดินออกกาลังกายเนี่ยผมจ ะ, ะสังเกตการที่ว่ามองเห็นอะไรก็ตัดไปว่าอเรารู้ ร, รู้เห็นคิดไหมก็คิดนําอยู่เออ <ๆ S 1> ร<บ>แรกๆจะคิดนําก็ไม่เป็นไรนะแต่ต่อไปก็ค่อยๆทิ้งไป เราแค่รู้อย่าไปคิดตามอย่าไปคิดนำแล้วอย่างนี้ถ้าเอ่อพอนั่งน่งไปแล้วรู้สึกว่ามันสงบผมจะเริ่มแยกากายแยากจิตได้ไหมรได้ออนะพอสงบแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูไปนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็แยกออกไปค่อยดูไปแต่ว่าต้องฝึกจนกระทั่งมันแยกเองไม่จงใจแยกถ้าจงใจแยกใจจะทื่อ พวกที่ติดสมาธิมาใจมักจะทื่อๆมันหนักๆมันจะหนักอก็คือต้องรอให้จิตมันสบายๆใช่แต่ต้องทนเอานะเราต้องใช้นี่ก่อนเพราะเราเพ่งไม่นานแต่ตอนนี้ก็เบาไปเยอะเราล่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมก็รู้สึกอยู่คาดีขึ้นแล้วนะใช้ได้ไม่ทํำอีกไปวันนี้ไม่มีปัญหาใช้ได้แล้ว กลับเรียนทําลวพ่อนี่หนึ่งค่ะคือไปเคยไปอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็ปฏิบัติอะไรไปเลยหลายวันแล้วก็ไปกวาดลานวัดนะคะแล้วพอไปกวาดกวาดกวาดไปแล้วจิตมันเห็นเป็นแบบเหมือนน้าหยดนะคะมันย้อยขึ้นอย่างนี้เป็นมันมันมองเห็นแล้วก็บอกวิมันเกิดราคามันรู้มันรู้ขึ้นมามันก็หายไปหมดเลยเป็นสว่างสว่างอะค่ะไม่ไม่มีตัวตรงที่ราคามันปรุงขึ้นมานะแล้วสติระลึกมัาขาด ขาดแล้วใจสว่างว่างก็อยู่ชั่วคราวนะเนี่ยกลับมามีใหม่ก็มีไปเวลาจิตมีสมาธิมีปัญญานะบางทีเกิดสมาธิขึ้นด้วยในสมาธิแหละคะหนูนั่งสมาธิไม่ค่อยได้นี่นแหละสมาธิหลวงปู่ดูนย์เคยสอนหลวงพ่อนะดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัติสังเกตไหมขณะ น, นี้จิตใจเราตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละสมาธิแหละว่าหนูฟุงซ่านเก่งนะคะบอกว่าเวลาฟุงนะ ขันมันฟุ้งนะใจมันเป็นคนดูแล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะไปอยู่ที่วัดอีกค่ะก็ไปปอกมะม่วงแล้วจิตมันมีความสุขก็จะเป็นอย่างนั้นอืมก็เห็นด้ยความสุขก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งโคโลอันกันมันเห็นตาสว่างสว่างใช่ไหมไม่เห็นจิตฮะไม่เห็นจิตอ๋อไปเห็นสว่างเห็นอย่างนั้นนะคะเป็นแบบว่างๆอย่างนั้นอ๋องั้นจิตมันพลิกไปเป็นสมาธิแล้วพวาที่กลับจากวัดนะคะพวกที่ทํา วิปัสนาด้วยกันดูจิตเนี่ยนะมันจะไปเจอวิปัสนูตัวหนึ่งชื่อว่าโอภาษัศโอภาษัศว่าสว่างเพราะฉะนั้นพอไปเห็นสภาวะแล้วมันดับวับไปนะมันสว่างแล้วเราก็ไปโล่งว่างอยู่นั้นยังดีนะที่ไม่หลงว่าเป็นพระอรหันต์โออย่างนั้นใช้ได้ไม่มีปัญหามันสว่างก็ดูสว่างนี้ก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะอย่าให้จิตไปค้างในสว่างนะเฉั้นพวกดูจิตตัวจิตนี่แหละจะไปติดโอภาษั พ่อเองค่ะพอกลับจากวัดมานะคะก็มีเรื่องขัดใจยกไม่ใกล้ๆปากมีมีเรื่องขัดใจอะคะ่ะเพื่อนแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเหมือนให้เปอร์นะทําอะไรก็จะเร็วเพื่อนก็แบบมีหลายสเต็ปกว่อใจนี้ได้มันเห็นว่าจิตเนี่ยมันเหมือนเป็นก้อนดําๆนะคะเป็นขนขว น, ขนะดำํำไปคลุกอะไรม า, าแล้วมันเหมือนปุ๊บปุบ๊สองรอบแล้วมันก็ขาดเออดีพอเรารู้ทันมันก็ขาดค่แต่พอไม่มีอยู่วัดมาอยู่ ในอย่างนธรรมดาค่ะมันก็ไม่เห็นอะไรชัดแต่มันก็รู้ว่าโกรธนะคะรู้ว่ากรมี อ, อย่างนี้ใช้ได้นะคะคือใช้ได้ใช้ได้แล้วะคุณค่ะกรรมมาสการค่ะเออเป็นนักเรียนใหม่อ่ะคะ่ะมากราบเขากันบ้านค่ะหลวงพ่อนักเรียนใหม่นักเรียนเก่าไม่สําคัญหรอกนะรู้สึกตัวเป็นไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักค่ะเ อ, อเวลาใจลอยแล้วก็รู้ทันนะเพ่จะรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นกิเลสบ้างไหม เห็นค่ะเห็นบ่อยไหมบ่อยค่ะเออบ่อยใช้ได้ไปดูไปดรืยเห็นไหมกิเลสมันมาได้เองค่ะไม่ได้เชิญมันมาเองค่ะดูไปไปทาอีกไปขอบคุณค่ะกรรมธรรมชาติการข้อเจ้าค่ะคือยมพยายามรักษาศีลแล้วก็อภาวนาแต่ว่ายมว่ายมยังรู้ได้น้อยรักษาศีลจะรักษาได้ดีนะต้องมีสติรักษาจิต คือศีลเนี่ยเราพลาดไปผิดไปได้เพราะว่ากิเลสครอบงําจิตนะให้เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตใจของเราโกรธขึ้นมาก็รู้ทันโลภขึ้นมารู้ทันนะหงุดหงิรู้ทันอย่างเงี้ยกิเลสมันจะครอบจิตไม่ได้จะไม่ผิดศีลเ น, ะนาะศีลอัตโนมัติจะเกิดไปดูดูจิต ด, ดูใจบ่อยๆดูจิต ด, ดูใจนะถ้ากิเลสเกิดรู้ทันเราจะได้ศีล ดูจิตดยใจไปจิตฟุ้งซ่านจิตไหลแปรู้ทันจะได้สมาธิโดยจิตโดยใจไปเห็นจิตใจมันทํางานได้เองจะได้ปัญญาแล้วคือยมเจอเหมือนกับว่าก่อนยมจะชอบโกรธบ่อยๆเช้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอจะรู้รู้จักตัวเองแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยพอเจอคนนี้โกรธทันทีอืมห้ามไม่ได้ดูไปสีห้ามไม่ได้คนคี้โมโหเป็นคนมีบุญนะ เพราะว่าถ้าโมโหมากๆเนี่ยกิเลสตะ ก, กุลโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดจะว่าบุญก็บุญแรงนะนพอานา ง, ง่ายมันดูง่ายมันเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายเีย่ว่าเสียงก็เสียงถ้าโทสะเนี่ยพาเราตกนรกนะเวลาเรามีความโกรธขึ้นมาใจเรามีความทุกข์ทันทีเลยงั้นใจจะคุ้นกับ น, นรกนะงั้นมันเสียงเอาเดินอยู่บนปากเหวเลยพวกโทสะเนี่ย แล้วมีสติ บ, บ่อยๆแล้วถ้าสมมุติว่าแบบโกรธมันไม่หยุดเนี้่ยอาจจะบอกว่าสอนตัวเราเองได้ไหมเจ้าคะว่าโกรธไปทําไมโกรธเขาทําไมได้<ร>ได้เบื้องต้นสอนเปนก่อนได้แต่สอนแล้วเป็นสมถะนะเราไม่ใช่วิปัสนาแต่ว่าถ้าจําเป็นก็สอนเปนก่อนทําได้หลายอย่างนะกาลังจะตกเพราะเราทนไม่ไหวแล้วนะเดินหนีไปเลยหนะลบไปซะก่อนอย่างเงี้ยังได้เลยนะสู้ไม่ได้ก็หนี ถ้าสู้ได้ก็กลับมาสู้ใหม่ก็ทั้งพระท่านยังหนีเลยนะไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์สมัยท่านหนุ่มๆไปทุ่งดงนะี่เจอสาวสวยเขานะท่านดูจิตสู้ไม่ไหวแล้วดูกายแยกทาดแยกขันพิจณาสุภาอะไรสู้ไม่ไหวนะมันจะศึกท่าเดียวนะท่านหนีเลยนะคืนทำอวดเก่งต่อไปก็เสร็จแน่นอนก็หนีเราฉั้นอย่างถ้าเราจะโกรธรุนแรงแล้วจะทำร้ายเขานะเดินหนีก่อนก็ยังได้ หรือหัดเจริญเมตาเเมตาเจริญเมตตาก็คิดหรือสอนตัวเองไงแต่กี้ก็ได้ที่ว่านะแต่ยังไม่ใช่วิปัสนามาสการครับเป็นคนสุดท้ายครับก็วันนี้หัวมันมึนๆก็เห็นเหมือนจิตมันมองๆไปหน่อยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานะสวดมนต์อะไรเข้าไปแล้วก็อีกข้อรู้สึกระยะหลังๆความสุขจาก อายตนะเนี่ยมันจะปะจืดอายตนะรูปเสียงกลินล่นรสสัมผัสจูดจืดจริงๆไม่ใช่เห็นจะวิเศษตรงไหนเลยพอนาไม่เป็นหรอกถึงจะเห็นว่ามันอรเด็ดอร่อยพอนาเป็นแล้วจืดชูดโลกนี้แม่ไหนแห้งแล้งหมดแล้วจบละรับพอนนะ ยถาวะริวหาปุราภริภุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพภุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิีโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจชะตาโรธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อลืมอนุโมทนากับเจ้าของสถานที่เขานะอุตสาเปิดไฟเปิดแอร์ให้พวกเราใช้นะมัเป็นบุญของเขา